เรื่องทางแห่งการได้บุญตลอดกาลโดยพระอาจารย์สมภพโชติปัญโยข้อมวยพรสริสวัสตรที่พัฒนมงคลความสงบเยือกเย็นแห่งจิตใจและความพาสุขทุกประการขอจนบังเกิดมีแด่เพื่อนร่วมชาติร่วมสังคมร่วมประพุตธศาสนนะ ทา่านสาธุชนผู้มีความสนใจใฝ่ในธรรมผู้แสวงหาคุณงามความดีผู้ใฝ่บุญใฝ่กุศลทั้งหลายโดยทั่วกันทุกท่านทุกคนในะโอกาสนี้ช่วงเวลาต่อจากนี้ไปเป็นเวลาที่ท่านทั้งหลายจะได้ฟังการกล่าวธรรมนิยต้าคือถ้อยคำอันประกอบไปด้วยธรรม อันเป็นคำซ้ำซ้อนในทางพระพุทธศาสนาแล้วคอยท่านต่างหลายจังเลต่างออกสังเก็ฟังกันด้วยดีเพื่อจะได้เกิดประโยชน์ในการฟังจะได้นําไปเป็นข้อคิดในการปฏิบัติกิจชีวิตประจําวันเตือนกิจประจิตใจในวิถีทางแห่งการดําเนินชีวิตเพื่อจะให้เกิดประโยชน์ แกตนเองแกครอบครัวแกประเทศชาติแกสังคมแกราสาตนะเสดบต่อไปตามสมควรแกเวลาจะพึงมีในวันนี้ถ้ามีกระทาที่จะนำมากล่าวมาฝากที่น้องท่านระตุชนผู้มีความสนใจในวันนี้ท่าที่ฟังอยู่ทางบ้านที่เปิดเครื่องวิทยุรับฟังอยู่ยก็ดี ขอให้ท่านทั้งหลายได้ตั้ง อ, อกตั้งใจฟังกันสิ่งที่จะนามากล่าวในวันนี้จะมาขอให้หัวข้อว่าทางแห่งการได้บุญตลอดเวลาหรือเรียกว่าหนทางที่จะได้บุญตลอดการ <c oughs> ทาไมจึงนาเรื่องนี้มากล่าวมาพูดกันในเวลาเช่นนี้เรื่องนี้ก็มี สาเหตุที่ควรจะนำมาพูดนำมากล่าวกันให้ได้ยินได้ฟังได้คิดได้พินิจพิจารณาในเรื่องทางแห่งการได้บุญอยู่ตลอดเวลาโลกทุกวันนี้กำลังขาดแคลนสิ่งที่เรียกว่าบุญสิ่งที่เรียกว่ากุศลกันอย่างยิ่งใหญ่ เพราะคำว่าบุญนั้นมันหมายถึงความสุขมันหมายถึงความสงบหมายถึงความร่มเย็นไม่ว่าจะเป็นชีวิตเดียวชีวิตคู่ชีวิตหมู่ชีวิตสังคมชีวิตของโลกทั้งโลกย่อมปรารธนาะความสุขแล้วพุทธเจ้าของเราท่านกล่าวว่าบุญนั้นเป็นชื่อแห่งความสุขมาวะมันเจทะปุณยศะอย่าได้กลัวต่อบุญเลยท่านแตงร้ายก้อยเข้าใจว่าบุญนั้นคือความสุขอย่าได้กลัวความสุขเลย ความสุขมันกะมีเป็นขั้นเป็นตอนเป็นลำดับลำดาตั้งแต่อยาบยาไปจนถึงละเอียดบูญอย่างน้อยที่สุดก็ความสุขทางทางสังคมความสุขของชีวิตทางเนื้อหนังความสุขอันประกอบไปด้วยความไม่มีโทษของชีวิตของสังคมนี่มันจะเป็นลำดับลาดับไปอย่างเช่นคำว่า อัพยาปรชังสุขขังโลเกความไม่เบียดเบียนกันเป็นสุขในโลกเราก็จะเห็นได้ชัดประสบ ข, ของโลกสุขของสังคมอยู่ที่ความไม่เบียดเบียนเขาอพยาปัะชังว่าไม่เบียดเบียนไม่เบียดเบียนสุขขังโลเกเป็นสุขในโลกที่นีสูงขึ้นมามันมันมันก็ลุดลงไปกว่า ก, า, การเบียดเบียนธรรมดาความสุขของโลกความสุขของชีวิต สมีวิว่าการปล่อยวางสูงสุดนั้นเป็นสุขที่สุดอัศมิมาณส์วินโยอเอตังเวปรมังสุขขังถ้าถอนความยึดมั่นถือมั่นไม่อัตตาในตัวตนตัวกูของกูออกเสียได้อัสมิมานะคำว่าเราตัวเราของเราความรู้สึกเช่นนี้ ถอนออกไปจากความรู้สักเชนนี้จะได้ก็เป็นสุขอััยาประชังสุขขังโลเกความไม่เบียดเบียนเป็นสุขในโลกอสมิมานัสสวินยโยเอตังเวปรมังสุ ข, ขังถ้าถอนความสำคัญมั่นหมายความพอใจและไม่พอใจในสิ่งที่รวบาดตัวเราของเราออกเสียได้เป็นสุขอย่างยิ่ง สุขที่ละเอียดสุขที่สดความสงบจากการถือว่ามีตัวเราของเราการยึดมันถือมันจะวนนัตถิสันติปรังสุขขังสุขอื่นยิ่งกว่าความสงบไปไม่มีความสงบของสังคมก็ทำให้สังคมมีความสุขความสงบของครอบครัวครอบครัวมีความสุขความสงบของจิตใจทำให้ชีวิตนั่นนั่นแหละมีความสุขที่สุด จิตใจจะสงบถึงที่สุดก็คือจิตใจปล่อยวางจากความยึดมั่นถือมั่นเรีอกว่าอุปธิวิเวกคือปล่อยวางสิ่งที่เขาไปแบกไปยึดไปถือลงเสียได้จิตใจเกริ่ยเกล่าวสะอาดบริสุทธิ์เป็นสุขเราจะเห็นได้ว่าความสุขนั้นมันมันมันมีเป็นลำดับตั้งแต่ความสุขของชีวิตเดียวความสุขชีวิตคู่ความสุขชีวิตหมู่ความสุขชีวิตสังคม และสิ่งที่เียก่ความสุคนี้แหละคือชื่อของบุญชื่อของบุญเชนี้เราทั้งหลายก็มาดูว่าเดี๋ยวนี้โลกมีความสุขไหมชีวิตมีความสุขไหมสังคมมีความสุขไหมถ้าสังคมหรือชีวิตหรือโลกมันไม่สงบมันจะหาความสุขไม่ได้เลยต่อให้เราจะร่ำรวยแค่ไหนก็ตามมีเงินมีทอง ม, มีเครื่องบินขี่ครอบครัวละหนึ่งคันหนึ่งคันหนึ่งคันไปไหนมาไหนติเปีกบินกันมันก็มีความทุกข์โลกทุกวันนี้มีความทุกข์มาก แม้จะพัฒนาโลกไปไกลสักขนาดไหนก็ตามแต่ความสุขของโลกรู้สึกจะขาดลงแทนลงทุกทีนบวันที่จะหาความสุขได้ยากแม้จะมั่งมีสีสุขมีเงินมีทองนั่งยู่ในห้องแอร์ปรับอากาศอยู่เย็นเป็นสุขมีรถเก๋งคันละเป็นแสนเป็นล้านขี่แต่ก็หาความสุขยากเข้าไปทุกทีทุกทีคนทุกวันนี้มีสุขยากมากแต่มีทุกข์ได้ง่ายนิดเดียว เพียงแต่ไฟฟ้าดับไปเท่านั้นแหละเขาก็ทุกจะบ้าจะข้างประสาทจะกินหัวถ้ามันดับบ่อยๆก็ประสาทกินมันทุกข์ง่ายทุกคนนี้แล้วมันก็มีความสุขยากไม่จะมีเงินมีทองถึงท่วมท้นมันก็จะมีความทุกข์ท่วมทับโยดเช่นนั้นเพราะเหตุนั้นนั่นแหละคือขาดแทนสิ่งที่เรียกว่าบุญบุญนั้เป็นชื่อแห่งความสุขไม่ว่าจะปาทะนาใดก็ตามย่อมปะทะนาสิ่งที่เรียกว่าความสุขคือปะทะนาบุญด้วยกันทั้งนั้น จึงมีคำสั่งสอนของแต่ละศาสนาเกิดขึ้นเพื่อให้คนได้พบความสุขเพื่อให้คนได้มีบุญพระพุทธเจา้าระพูดถึงบุญนั้นเป็นคือของความสุขศาสนาที่มีพระเจ้าที่มีกอดมีกอด ม, มีพระเจ้าที่เป็นเธอฉะนั้นกอดมีพระเจ้าเป็นตัวเป็นต้นเขาก็ต้องการให้คนมีความสุขขอให้ฝากชีวิตจิตใจลงไปกับพระผู้เป็นเจ้าอินกอดวิทัส อย่างนี้เราฝากชีวิต จ, จิตใจไว้ภายใต้องค์พระผู้เป็นเจา้าสินกอดวิทัถ้าเราเชื่อมั่นว่ามีพระเจ้าจริงๆช่วยเหลือเราได้จริงๆและเราก็เป็นไปตามพระประสงค์ของพระผู้เป็นเจา้าอ c c o r d i n g to the purpose of God, จริงๆทุกมันก็ทุกเพราะพระผู้เป็นเจา้าจนก็จนเพราะพระผู้เป็นเจา้าร่ำรวยก็ร่ารวยเพราะพระผู้เป็นเจา้านี่เป็นไปตามลิขิตของพระผู้เป็นเจา้าเราก็หมดสิทธิ์ที่จะต้องมาเป็นทุกข์ นีจะปล่อยให้มันเป็นไปตามนั้นแลว้วก็กระทำสิ่งที่ดีที่งามที่พระพุทธเจ้าที่พระพุเป็นเจ้าสั่งสอนที่แบบคอมันเมนออฟเดอะอดอะไรต่างๆนั้นปัญหามันก็จะหมดไปได้เหมือนกันขอให้เข้าใจอย่างนี้ทุกทุกศาสนาสอนให้คนรู้จักหาความสุขให้เกิดขึคค้นคำว่าสุขนั้นแหละเป็นชื่อของบุญพระพุทธเจ้าของเราจึง พูดว่าตรัสว่ามาวะมันเยทะปุญญาสัยได้กลัวบุญไปเลยถ้าใครกลัวบุญก็คือกลัวความสุขความสุขดังกล่าวแล้วมันมีเป็นลำดับสุขของชีวิตเดียวสุขของชีวิตคู่ความสุขของชีวิตหม่ความสุขของชีวิตสังคมตลอดทั้งความสุขของโลกในทางพระพุทธศาสนาเน้นไว้ที่ความสุขของโลก บอกว่าเมื่อใดโลกได้มีคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้ายัางอยู่มีผู้ศึกษามีผู้ประพฤติปฏิบัติตามเมื่อนั้นโลกจะมีความสุขสุขโตวาพิขเวโลเกติธรรมโนสุขตะวินโยติทัสสะปหุชนะหิตายปะปัหุชนะุส้ายะโลกานุกรมรมตายะเทวามนุษยนานัง ดูความพิศวงหลายเมื่อใดสถาคตก็ดีระเบียบวินัยของพระสุคดี่ก็ดียังคงมีอยู่ในโลกในเพียงใดเมื่อนั้นจมเป็นไปเพื่อความสุขความสงบความร่มเย็นเพื่อประโยชน์เพื่อเกือกูลแก่โลกแก่เทวดาแก่มนุษย์อยู่เพียงนั้นเพราะเห็นนั้นเทั้งหลายทจงเที่ยวจาริกไปเพื่อประโยชน์สุขแก่มหาชนเพื่อเอ็นดูแก่โลกเพื่อประโยชน์เพื่อเกื้อกูลแก่เทวดาแก่มนุษย์ทั้งหลาย แต่ตั้งหลายจงเปิดประกาศวิธีทางแห่งการดําเนินชีวิตอันเป็นสุขอันประเสริฐเรียก ว, ว่าพร ม, มจันท์จงไปแสดงทําให้งดงามในเบื้องต้นนี้ทํากลางในที่สุดตั้งแต่ห ย, ยาบยาไปกลางๆถึงที่สุดละเอียดลงไปความสุขเกิดจากการไม่กระทําชั่วไม่เบียดเบียนนี่เป็นความสุขอีกแบบหนึ่งทำให้โลกนี้ก็พอจะอยู่ด้วยกันได้แต่ความสุขสูงขึ้นไปอีกด้วยการกระทําคุณงามความดีเอือเ้อเพื่อเฟื่อแผ่ เฉลือดเจือจุนพูดดีคิดดีทําดีต่อกันมันก็เป็นความสุขที่ละเอียดลึกลงไปในโลกในสังคมที่มีความสุขสูงสุดที่เรียกว่าปริโยสานกัลยาณ์นางงดงามถึงที่สุดก็คือความสุขชนิดที่ไม่ต้องมีความทุกข์เลยอสัมมิมานัสสะวิเดโยเอตังเวปรมังสุขังทอนความยึดมั่นถือมั่นว่าเป็นตัวเราของเราออกเสียได้ก็จกเป็นความสุขอันสูงสุด ไม่ว่าโลกนี้จะพันพวนวิกฤตการจะแปรปวนธรรมชาติจะเป็นยังไงก็ตามที่ฟ้าถล่มดินทลายแผ่นดินไหวภูเขาไฟระเบิดเกิดน้ำท่วมพายุเกิดสงครามยังไงก็ตามจักไม่มีความทุกข์เลยถ้าพัฒนาจิตใจขึ้นมาถึงตอนนี้เพราะฉะ น, นั้นวันนี้ก็เลยขอพูดถึงเรื่องทางแห่งการได้บุญตลอดเวลาเราเราจะมีเวลาพูดกันเพียงหนึ่งชั่วโมงก็ค่อยพูดกันไปอย่าง อย่างอยาบยาบไปจนถึงตอนกลางๆถึงละเอียดถ้ามีเวลาพอไม่พอก็หยุดไว้ก่อนวันใหม่ก็พูดกันอีกอาตมาเองได้เจอคำถามบ่อยๆมีคนหลายคนมาถามว่าทำยังไงจะได้บุญทำยังไงจะได้บุญมากทำยังไงจะได้บุญตลอดเวลาบางคนก็ถามเฉยๆว่าทำยังไงน้อจะได้บุญมีผู้เฒ่าอายุเจ็ดสิบแปดสิบเป็นคน จนสั่งเนงอกมาแล้วมาถามอามาว่าทายังไงหนอจะได้บุญทายังไงจะได้บุญมากๆได้บุญทางลับพวกง่ายๆว่าแกเท่าแล้วอาดมาก็บอกว่านั่งอยู่ือ่อพเป็นภาษาอีสานว่านั่งอยู่ือ่อนั่งอยู่ซื่อก็ไมวัานั่งอยู่เฉยๆก็ได้บุญแล้วหรือที่จะได้แกงงกว่าบ้านั่งอยู่สื่อก็ได้บุญไบุคคลได้ยิ น, น, ย น, นไว้สันให้ได้ค่น คำถามนี้ก็เป็นคำถามที่เคยซ้ำๆกันในสมัยพุทธเจ้าก็มีคนไปถามเชนี้มีบางคนว่าทำอย่างไรจะได้บุญมากๆได้บุญตลอดเวลาได้บุญตลอดกาลคําถามเช่นนี้ในสมัยพระสัตดาพระพุทธเจ้าก็มีคนไปถามอย่ว่าแต่คนเลยแมย้แต่เทวดานะเทวดาเทวดาก็ได้ไปทูลถามพระพุทธสัตตสดาว่าชนพวกไหนเนาที่มีบุญได้บุญอยู่ตลอดเวลาทั้งกลางวันทั้งกลางคืน พระพุทธองค์ทรงตอบว่าอย่าช่วยฟังให้ดีว่าชนเราใดสร้างอารามปลูกป่าไม้ปลูกต้นไม้ที่ให้ดอกให้ผลชนเราใดปลูกหมู่ไม้สร้างสะพานชนเราใดสร้างแหล่งน้ําให้ลงน้าเป็นฐานขุดบ่อน้ําสร้างที่พักอาศัยชนเหล่านั้นย่อมมีบุญย่อมได้บุญในการทุกเมื่อได้บุญทั้งกลางวันกลางคืน ชนผู้เช่นนั้นแหละถือว่าเป็นผู้ตั้งมั่นอยู่ในธรรมเป็นผู้มีศีลเป็นผู้ดำเนินไปสู่สวรรค์ให้ผู้สั้นๆอย่างนี้แหละลองไปเปิดพระไตรปิฎกสังยุตตนิกายสคขาถาวักเล่มที่สิบห้ากอที่หนึ่งร้อยสี่สิบหกหน้าที่ส6วสิบหกวณะโรปะสูตรชื่อสั้นๆวณนนะแปวป่าโลปะแปวปุก ปูกป่าสวดว่าโดยการปลูกป่าทุกวันนี้เราทั้งหลายกําลังมองข้ามแล้วก็พากันทำลายป่ามากขึ้นการทําทลายป่านั้นคือการเบียดเบียนเรียกว่าพยาปะชะงักทุกขังโลกเกความเบียดเบียนเป็นทุกข์ในโลกในนี้คนเราเบียดเบียนมากแสนจะมากนอกจากเบียดเบียนมนุษย์ด้วยกันเอารัดเอาเปรียบกดขี่คมเหง มือใครยาวสาวได้สาวเอาจิตใจเหือดแห้งเหยืหาจากความเมตตาตานีมนุษย์ที่จะอยู่กันฉันพี่ฉันน้องแบบสมัยโบราณมีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ช่วยเหลือเจือจุนซึ่งกันและกันค่า้อามองกันด้วยสายตาตาที่เต็มเปี่ยมไปด้วยการจ้องมองที่จะเอารัดเอาเปรียบกันเต็มไปด้วยความไม่ไว้ใจกันทั้งนี้และทั้งนั้นก็คือมนุษย์ได้เบียดเบียนกันทั้งทางตรงและทางอ้อมที่จะเอารัดเอาเปรียบนอกจากเบียดเบียน มนุษย์ด้วยกันยังไม่พอทุกวันนี้มนุษย์ทั้งหลายได้เบียดเบียนโลกได้เบียดเบียนป่าไม้เบียดเบียนธรรมชาติเบียดเบียนแม่น้าเบียดเบียนภูเขาเรียกว่าต้นไม้ถูกทางทำลายตายเกี้ยงภูเขาถูกละเบิดพังทลายลงมานอกจากนั้นน้าเน่าผลงงานอุตสาหกรรมผลิต เศษจากเดนเคมีอะไรปล่อยลงไปน้ําเน่าอากาศเสียจนเป็นเหตุให้ปลาตายไปทีละทะเลทะเลทะเลทะเ ล, ะเลสาบได้ตายไปทะเลทรายทั้งหลายได้ขยายขึ้นเพราะต้นไม้มันตายไปนอกจากนั้นยังทําลายอากาศทําให้อากาศเสียเพราะว่าได้ซองคาร์บอนเพิ่มขึ้นไปในบรรยากาศของโลกปีหนึ่งปีหนึ่งนิ้มหลายล้านตันทีเดียวเลยนี่แหละคือการเบียดเบียนเมื่อเบบียนธรรมชาติเราอยู่กับธรรมชาติธรรมชาติก็ตบหน้าให้ การหยุดเบียดเบียนธรรมชาตินันก็ยังถือว่าได้บุญได้บุญแล้วที่ไม่เบียดเบียนธรรมชาติแต่ถ้าการมาเพิ่มพูนบำลุงทนุทนธนอมธรรมชาติให้กลับฟื้นคืนดังเดิมนี่จะได้บุญขนาดไหนแตนทั้งหลายลองคิดดูพระพุทธเจ้าพูดสันส้นๆกับเทวดาว่าวันะโรปาอารามะโรปาวันะโรปาเยชนาเตสุการตาปะปัญจะอุทปานจะเยพะทันติอุปเสยัง เตซังธิวาจารตโตจะสถาปุญญ์ยังประวัตติธรรมท่าสิระสัมปันาเตชนาสักขามิโนโเป็นถ้อยคําที่แพร่ร่ำมากสันส้นๆนี่แหละอารามะโรปาวะนะโรปาโรปาแไปว่าปลูกปูกปลูกอารามนั้นไม่ได้หมายถึงกุติวิหารไม่ได้หมายถึงชอบฟ้าใบละกาเหลืองอล า, าอารามสร้างโบสถ์สร้าง อะไรกันขึ้นมาท่วมทับแผ่นดินเบียดเบีย น, รยนธรรมชาติไม่ได้เป็นหมายความว่าอย่างนั้นนะอารามะนันหมายถึงสวนป่าไม้ที่ให้ดอกให้ผลส่วนวันะนันหมายถึงป่าไม้เลยโลปะแปลว่าปลูกปลูกป่าปลูกสวนที่ให้ดอกให้ผลเตเยชนาเซตุกรากาให้ชนเราได้สร้างสะาพาน ข้ามมันที่ไปมาลําบากลําบนทุกวันนี้ก็มีเยอะๆกันแล้ล ะ, ละพูดนี้พูดเมื่อสองพันห้าร้อยกว่าปีมันลาบากระบบค ม, มานาคมพูุ่งง่ายๆท่ายาให้เข้าใจง่ายสมัยนี้ก็เรียกว่าพากันปลูกป่าจัดสภาพแวดล้อมดินฟ้าอากาศให้มันดีขึ้นอย่าไปทําลายป่าอย่าไปทําลายภูเขานอกจากนั้นก็สร้างหนทางสัญจรไปมาระบบค ม, มานาคมคอมมิวนเิเคชันซิสเต็มอะไรต่างๆให้มันดีมันงามขึ้นให้มันสะดวกสบาย นอ ก, กนั้นก็พาก า, การสร้างแหล่งน้ําการสร้างแหล่งน้ําการปลูกป่านี่แหละเป็นการสร้างแหล่งน้ําเป็นการรักษาอนุรักษ์ต้นน้ํำลําธานมันมีความหมายลึกสูงมากการขุดบ่อน้ําการสร้างโรงน้ําเป็นฐานที่ว่าปะปัญจอุทปาณานจะเยตทันติอุปสัยยังสร้างที่พักอาศัย ชนเหล่านั้นแหละย่อมเป็นผู้มีบุญย่อมเป็นผู้ใดบุญทุกเมื่อทั้งกลางวันกลางคืนเตซั่งที่วาจะรัตโตจะสถาปุญญังปวัตติชนเหล่านั้นได้บุญทั้งกลางวันกลางคืนที่วาไปว่ากลางวันรัตโตรัตติงตัวกลางคืนสถาทุกเมื่อสถาปุญญังปวัตติจเจริญด้วยบุญได้บุ ญ, ญ, ญ, ญบอยู่ทุกเมื่อทุกเมื่อเลยธรรมะท่าสี่ละสัมปันา เป็นผู้ถึงพร้อมด้วยศีลตั้งมั่นในธรรมเยชนาสก ข, ขามีโนโชนเหล่านั้นแหละดำเนินไปสู่สวรรค์นี่ท่านพูดกับเทวดานะแล้วต่อมาคนเราคนไทยเราโดยเฉพาะในผ้าอีสานเนี่ย อาจะมาเกิดมาก็ได้ยินพ่อแม่พร่ำสอนอยู่ตลอดว่าลูกเอ้ยหลานเอ้ยพักกันขุดน้ำบ่อกอ่กอสาล่าย่อขาผู้เท่าโผล่ต้นใหม่ให้เงะหอมเศร้าด้วยล่าเด้อเสดาบุญได้กุศลตลอดการคําพูดคํากล่าวเช่นนี้ดังกึกก้องบนพื้นแผ่นดินที่ลาบสูงยิง่งภาคอีสานมันแห้งมันแรงทําไมจะไม่ได้บุญในการขุดน้ําบ่อให้คนได้กินกอ่อสาล่ายให้คนได้พักผ่อน ศาลาที่พักในวัดนั้นเขาไม่ได้เน้นไปที่โบสถ์นั่นนะเน้นไปที่ศาลาศาลานั้นเป็นที่ประกอบพิธีกรรมทางพระพุทธศาสนาเป็นโรงเรียนของเด็กในบ้านเป็นโรงแรมของคนเดินทางเป็นโรงพยาบาลของคนเจ็บไข้ได้ป่วยพระสงฆ์อจ่าที่ยกยาทานมาเชื่อเหลือเป็นที่ประชุมของชาวบ้านเป็นที่ทําสังรกิจสังคกรมของพระเป็นที่รวมกันทําบุญเป็นสารพัดอย่างอยู่ที่ศาลาส่วนโบสถ์นั้นเรื่องเล็ก ในทางพุทธศาสนาะไม่ได้ให้ความสําคัญมั่นหมายอะไรมากนักดอกพระพุทธเจา้าท่านให้อนุญาตให้ประกาศสมมุตดฝีมาสมมุตดลงอุโบสถขึ้น ว, าา ว, ว, มม ว, ว, วิหารังวาปาสาทัางวาอัธโยคังวาหามิยังวากูหังวาวิหารคือศาลานั้นแหละสามารถลงอุโบสถได้ประกาศสมมุติขึ้นหรือมิฉะนั้นกอบปราสาทกุฏินั่นแหละมีที่มุงที่บางมี ประตูนีอะไรปิดมิดชิดเอรียกว่าเป็นเป็นปราสาทต่อมาก็หาอัทยโยคังอัทยโยคะอัทโยคะเรือนมุงแถบเดียวพูดเป็นภาษาปัจจุบันก็เรียกว่าเพลิงหมาแงนเพลิงหมาแงนเพลิงหมาแงนผู้ภาษาภาคอีสานว่ากระเทอบหมาหอนมุงหญ้ามุงทาไปแบบเพึ่งเดียวนะ สา ม, มาประกาศสมมติเป็นโลงอุโบสถขึ้นมาได้สุนุมเมปันเตสังโคยติสังาาปนตะกลังสังโคอิทันนมั ง, อ, งอัโยคังอโปสาคาลังสั ม, มนเนยยเอซาติกับประกาศขึ้นมาความพังพร้อมของสงแล้วผมขอประกาศสมมติโลงอุโบสถเอาเพิงหมาเงนหลังนี้ก็ประกาศกันขึ้นใช่ได้หรือไม่ฉะนั้นก็บอกว่าหัมมิยัง ทำมิยังไปว่าเรื อ, อนโลนเรือนที่ยกขึ้นมาไม่มีหลังคาไม่มีฟ้าแบบถ้าเป็นภาษาอีสานคือหฮานมอลํากอนนะ่ก็สามารถไปลงอุโบสถได้หรือไม่จะนั่งก็บครูหางหวานในถ้ำซีมาก็เหมือนกันจะ่บวชหนะ้าจะลงอุโบสถสังฆกรรมไม่จะเป็นต้องมาสร้างมันเป็นสิบล้านรดอกเป็นล้านดอกขออภัยอาตจมาพูดอย่างนี้อาจจะรุนแรงก็ได้ต้องขอภัยต่อท่านที่เข้าใจ ว่าเป็นการรุนแรงความจริงไม่จะเป็นการรุนแรงคู้ให้ฟังตามที่มันเป็นจริงพระพุทธเจ้าท่านอนุ ญ, ญาตในพระสงฆ์องค์จารประกาศเขตสมมุติสีมาอยู่ในที่ไม่คาบเกี่ยวกับในเขตของอุปจาระคาเมอุปจาระคาเมีหมายความว่าอยู่ในขาบเกี่ยวระหว่างบ้านบ้านอุปจาระขามหมายว่าอยู่ในเขตใกใก ล, ใกล้บ้านนะ แล้วประกาศอะไรออกมาได้ประกาศสมมุติเป็นสีมาขึ้นมาไม่ให้มันขาดเคียรกันหรอกแล้วก็ประกาศเขตสมมุติจีวอนวิปปะประวาเตเขตที่ไม่ไม่ป่าศจากกลายจีวอนแล้วก็ทําอุโบสถสังฆก ร, รรมบวชน่งบวชนางได้เมื่อบวชเสร็จแล้วก็ประกาศเลิกเพิกถอนขึ้นมาสวดถอดกันขึ้นมาทํากลางสงหมายความง่ายๆก็หมายก็ว่ายืมสถานที่ของทางบ้านเมืองเขาใช้ชั่วคร้าไม่ใช่ว่าจะมาทําอยู่ทุกวัน วันไหนจำเป็นจะทำบวชหน้าจะทำอะไรมาก็ประกาศสมุิเขตสีมาสมุิจีวรวิปวาะจัดการทำสั้งแต่กรรมเสร็จก็ประกาศยกเลิกเพืกถอนกาเสร็จหรืมิเชนั้นอย ja, um uh ู ama, i, kan, ่ในป่าไม่ต uh ้องประกาศซ้ำอาคารเกเจพิกเวอรัญญาสมันตาสัตพันตระสรีมาอ้ายังตถาสมาระสั่งวาสาเอกุปสาเนี่ยบอกว่าในเขตป่า โดยรอบไม่มีบ้านเรือนคนชั่วเจ็ดพันดอนโดยร อ, บ, อบพันดอนหนึ่งมู่เจ็ดวาร์เจ็ดเจ็ดส้าที่ตรงนั้นเป็นเขตไฟมาเป็นอุโบสถอันเดียวกันเป็นเขตไฟมาได้โดยไมต่ต้องประกาศสมมุติเียกว่าอาพัฒน์ไฟมาไฟมาไม่ต้องพูกหรือมีเะนั้นก็ไนานา้ําในห้วยในหนองโดยธรรมชาติในทะเลชั่ววักน้ำใสของบุรุษตรงนั้นเกาไม่ต้องสมมติถ้าเป็นเขตไฟมา มันง่ายไม่ต้องไปเสียงเงินเสียทองอะไรมากเลยแต่สมัยนี้เราก็มาโฆษณากันสร้างโบสถ์นี่จะมีจิตมหากุสติด ต, ตามไปชั่วเจ็ดร้อยชาติในชี่ิศุกสร้างกันมาแข่งกันหมดเป็นแสนเป็นล้านเลยทีเดียวแต่ไม่เคยพูดถึงเลยว่าบุญตลอดเวลาที่พระพุทธเจ้าท่านพูดเนี่ยท่านพูดหยุดอยู่ให้แม่แต่เทว ด, ดาฟัง เอรว่าผู้ใดปลูกต้นไม้ผู้ใดปลูกป่าไม้สร้างสวนป่าผู้ใดสร้างสะพานในที่กันดานไปมาลำบากผู้ใดสร้างแหล่งน้ำเป็นทางขุดบ่อน้ำให้คนได้อาศัยมีที่พักชนเหล่านั้นแลยย่อมมีบุญทั้งกลางวันกลางคืนมีบุญทุกเมื่อเตสร้างที่วาจะรัตโตจะสถาบุญยังประวัตตติได้บุญทุกเมื่อธรรมทาสีละสมปนา เป็นผู้ตั้งมันในธรรมเป็นผู้ตั้งพร้อมโดยสินเจชนะสักขามมโนพวกคนเหล่านั้นแหละชนเหล่านั้นแหละดำเนินไปสุ่สวกวัน์นี่ทำให้ดีพระพุทธเจ้าท่านพูด คนภาคอีสานนั้นพูดนักพูดนะในเรื่องนี้บอกว่าขุดน้ําบกกอสาล่าย่อขาผูดเถ่าปลูกต้นใหม่ให้งมให้หอมให้เงาเดือดลุ่ยลานเอ้ ย, อยได้บุญได้กุศลแต่เดีนน๋ยวนี้ไม่เคยได้ยินคําพูดเหล่านี้แล้ววัดวาอารามโหมกระเพือกันที่จะสร้างแต่โบดชบวโบวสร้างวัดวาอารามขึ้นมาที่เมื่อสร้างขึ้นมาอันหนึ่งก็ต้องไปทําลายอันหนึ่งสมัยก่อนยิ่งหนักไปกว่านี้สมัยอาดามายังเด็กๆ พระนี่แหละโฆษณาให้ทำลายป่าอย่างดีที่สุดเลยไม่ได้หญ้าเส้นเดียวก็ให้ทำลายถ้าตรงไหนมันเตีนโร่งก็จะบอกว่าโอ๊ยเตี้ยเหมือนกับสนามวัดผู้าาภาษาภาคอีสานว่าแปนเอิดเติรดคือเดินวัดพอดำนาเสร็จพอถึงลมเหนือนล่องลงมาก็พระสองอฆ์เจ้านั่นแหละตีกองให้หนมให้สาวลงมาได้หญ้าวัดอย่าว่าแต่ต้นไม้เลยไม่ได้หญ้าเส้นเดียวจักไม่ให้มีในวัดอวดกันว่าวัดเนี่ยมันเตีย้ยมันแปนนสะอาดสะอ้านดี คนไม่มาก็แต่งนิทานขึ้นมาเป็นชาดกขึ้นมาให้คนมาดายาวัดแต่งนิทานเรื่องเยี่ยวเข้ามาเฉียวเอาไก่น้อยลูกไก่อยู่ในวัดพอดีลูกไก่นี่มันก็หลบมันหลบเข้าไปตัวเหี่ยวก็เลยเฉียวเอาได้ยาแห้งๆสามสี 3, เส้นติดขยุ้มเอาออกจากวัดเอาไปทิ้งนอกวัดโดยเข้าใจว่าเป็นไก่น้อยเป็นลูกไก่แต่ในที่สุดมันไม่ใช่เป็นยาแห้งก็ เ, เอาไปทิ้งนอกวัดเมื่อทิ้งไปแล้วก็ทําให้ญ้าในวัดเนี่ย ติดติ ด, ต, ดตีนของเหีื่อไปไปทิ้งนอกวัดแล้วมันก็เลยทําให้เป็นการว่าช่วยให้ทําให้วัดนี่สะอาดเอาย่าไปจากวัดโดยเหตุอันนี้ทรงเพียงแต่ขยุมเอาย้าแห้งๆเข้าใจว่าเป็นไก่น้อยเป็นลูกไก่นั้นเอาไปทิ้งนอกวัดอันนี้สองอันนั้นเหี่ยวตัวนั้นตายไปได้ไปเกิดเป็นเทวดาบนสวงสวรรค์เทวโลกมีเหนืนในคมภีรพระอิสานเอกเสมิงปณสมบัญญีกปิลาดังได้ยินมานี้ยังมีในกระลาขับหนึง่งยังมีแล้วตัวนึงว่าเข้าไปอย่างนั้น เขามาขยุมกไกหนอยอยู่ในวัดเอาหยาแห่งๆไปทิมนอกวัดด้วยอานิสงส์เหตให้วัดได้แปลเอ า, อาหาแหงออกไปตากาเลยมดแล้วตัว น, นั้นตายจะไปเกิดเป็นเทวดาบนสวงสวรรค์เทวโลกก็มีลสาธาโบลาสปุริสาทั้งหลายจงมาเสียาวัดมันแปลเอิดเดอั่ เธอคนนั้งหลายก็อยากจะเป็นเทวดาเหมือนเดียวก็แบกเสียมแบกจอบออกมาเฮ้ยแวก็ทํามัทําลายป่ากันอย่างยิ่งใหญ่ย่อยยับจะสร้างโบสถ์สร้างศาลาก็ต้องไปทางป่าไปทําลายป่าทําลายดงเอาไม้มาล้มไม้ใหญ่ๆมาท่านทั้งหลายลองคิดดูเธอที่พูดในใจของเราบอกว่าพยาปัจฉังสุขขั้งโลเกความไม่เบียดเบียนเป็นสุขในโลกแต่ในขณะเดียวกันทัทางตรงกันข้ามบอกว่าพยาปัชฉังทุกข์ขังโลเกความเบียดเบียนเป็นทุกข์ในโลกเดี๋ยวนี้มนุษย์ได้เบียดเบียนโลก เบียดเดียนธรรมชาติยังเป็นทุกข์มากธรรมชาติสภาพแวดล้อมเป็นทุกข์ที่สุดเดนิเกิดปัญหาใหญ่มีการประชุมกันทียิบ ขึ้นมาในโลกต่างๆ International Conference on o u e a n r e s i l i e จ c e ์ิบมีการประชุมกันบ่อยๆหลายประเทศที่ละร้อย200ประเทศเรื่องปัญหาสิ่งแวดล้อมมันเกิดขึ้นปูดได้ว่าเป็นปัญหาของยุคการพัฒนาเกิดจากการพัฒนาทางเทคโนโลยีโดยตรงปัญหาด้านนี้จะถือได้ว่าเป็นปัญหาอันยิ่งใหญ่และสำคัญที่สุดของโลกที่มีผลกระทบกว้างขวางกระยายไปทั่วโลก คือแม้จะเกิดขึ้นในที่หนึ่งที่เดียวการทางป่าในประเทศลาวดูที่เราไปยืนอยู่ริมฝั่งโคงควันขมองเดี๋ยวเนี่ยจูดป่าเผาป่าประเทศไทยก็นึ่งเผากันหมดก่อนแล้วเียนี้ก็มาประเทศลาวแล้วมันไปไหนซึ่งเรื่อนั้นมันก็เป็นอันตรายแก่โลกไม่ใช่เป็นอันตรายแก่ประเทศลาวประเทศเดียวมันเป็นอันตรายไปทั่วทั้งโลกเลยพผะมันแพร่กระจายไปถึงมนุษย์ทั่วทุกขนทุกแห่งปัญหาเกิดขึ้นจากการพัฒนาอุตสาหกรรมโดยตรงก่อนเอ เรามาสังเกตดูปัญหาจากการเผาผ่านเชื้อเพลิงโดยเฉพาะน้ามันเออยทานหินเออยแก๊สเออยอะไรต่างๆปัจจุบันการเผาน้ำมันที่คูเวตที่อิรักเผาเน่ะฟงควันขโมงขึ้นไปสู่ท้องฟ้านั่นมันเป็นอะไรประเทศไทยอยากจะกว่าไม่ได้รับผลกระทบกระเทือนจากนี้ ด, ด้วยกันทั่วโลกควันจากไฟที่มันเผา ควันจากรถยนต์จากโรงงานต่างๆปล่อยออกไปเป็นประจําทําให้มีคาร์บอนเพิ่มขึ้นในบรรยากาศของโลกปีถึงตั้งห้าพันสี่ร้อยล้านตันการตัดไม้ทําลายป่าก็ทําให้คาร์บอนในบรรยากาศเพิ่มขึ้นปีละประมาณสองพันหกร้อย ล, ล้านตันนี่มากถึงขนาดนั้นนะสองพันหก้ยล้านตันนี่ไม่ใช่บเบาๆมูลนัวมูลข้าวก็คาร์บอนที่เพิ่มขึ้นไปในบรรยากาศของโลกทั้งควันจาก พอไอซียของรถจนของโรงงานควันจากแก๊สจากน้ำมันไปดูเถิดตั้งแต่เมืองโฮฟุบอันฮัสซาไปจนถึงอัลซามานียาไปถึงเช็กกําขวันขมังดู่ทั้งปีทั้งชาติเผาแก้เผาน้ํามันลงกันลงดุเลยโอ้ยควันขมังเลยปีปีหนึ่งบรรยากาศของโลกเนี่ยจะต้องเพิ่มคาร์บอนขึ้นปียังไม่น้อยกว่าแปดพันล้านตันทําให้กรรมฐานเพิ่มขึ้นปีละเกือบละร้อยล้านตันและปล่อยให้นาทรเยน์ออกไซด์ขึ้นไปอีกปีละ จำนวนเท่าไหร่คิดดูเถอดเฉลี่ยแล้วลายหัวคนอเมริกันเยอรมันประเทศที่เรียกว่าพัฒนาแล้วประเทศเป็นผู้นําทางพัฒนาเทคโนโลยีคนอเมริกันเลยคนเยอรมันตะวันออกเลยปล่อยคาร์บอนขึ้นไปในอากาศนะครับปีหนึ่งเตือบห้าตันต่อปีคนมีเงนิงนะคนเดียวนะส่วนคนในประเทศอื่นประเทศไทยประเทศอื่นทั่วโลกเฉลี่ยแล้วก็ปีหนึ่งคนละหนึ่งตันเศษที่ส่งขึ้นไปสู่บรรยากาศของโลซีเหล่านี้เป็นมลภาวะทําลายธรรมาชาติแวดลอ้อมก็ทําให้เสียคุณภาพ ทางชีวิตดุนยาภาพทางธรรมชาติเรื่องที่ประเทศพัฒนาแล้วทั้งหลายกําลังหวัน่นกลัวกันมากที่สุดเด่นนี้ก็คือออกไซด์กับมถันและไนโตรเจนไปผสมกับความชื้นในอากาศเกิดเป็นกรดกรมถันกรดไนเตรกขึ้นเมื่อมีฝนตกลงมามันก็มากับฝนเรียกกันว่าเอซิเทรตแปลง่ายว่าฝนน้ํากรดเมื่อมีลมมากกอบพัดพาไปตกได้ในที่ไกลๆตกลงตรงไหนก็มีก่อความเสียหายที่นั่น ทำลายทั้งธรรมชาติต้นไม้ใบหญ้าตายไปเองไม่มีใครทางเลเดี๋ยนี่มันตายมันเหงามันเฉามันเดียวมันไปเพราะว่าฝนนี่มันมีกดไปตกใส่ตึกลามบ้านช่องอะไรมันกัดกอนไปหมดกุ้งปลาในทะเลสาบตายไปเดี๋ยวนี้นับวันที่ยังไม่มีปูมีปลาประเทศไหนที่มีพิศไายอันนี้น้อยลงก็เป็นบาดเป็นแผลประเทศไทยปลาเป็นแผ้กันเป็นแถวแล้วก็เริ่มตายมากขึ้นเพื่อพันธธัญญาหารที่มนุษย์เพาะปลูกสิ่งต่างๆเหล่านี้ถูกทําลายจากฝนอันนี้ตกลงมาเท่าไหร่ก็ไม่งาม และทำลายสิ่งก่อสร้างที่เป็นมรดกแห่งอา ร, อารยธรรมของมนุษย์กัดกินปูนกินหินกินศิลาโลหะต่างๆพุทธก่อนพร้อมกันทั้งคุกค า, ามต่อสุขภาพของมนุษย์ด้วยจากการสำรวจปวรอกว่าปี2529ป่าในทวีปยุโรปเสียหายไปประมาณ190ล้านไร่1นึ่ในห้าของป่าทั้งหมดในทวีปยุโรป โดยเฉพาะป่าในประเทศเยอรมันตะวันตกเสียหายไปแล้วเกินกว่าครึ่งชายแดนเยอรมันกับเชกโกสโลวาเกียป่ากลายเป็นสุสานต้นไม้ขนาดมะฮือหมาป่าในสวิตเซอร์แลนด์ในเนเธอร์แลนด์ก็เสียหายไปราวครึ่งหนึ่งในภาคใต้ของจีนมีการใช้ฐานหินมากที่มีกำมะถันสูงอย่างมากเลยทําให้มีฝนน้ํากรดตกหนักยิ่งกว่าในอเมริกาเหนือและปรากฏว่าในแคว้นเซเฉวนบริเวณที่เคยเป็นป่าสน ง, งามๆแบบที่เชียงใหม่แบบที่ดอยสุเทพแถวนี้ย แฝงเศสชวนอย่า ง, งํามบัติว่างเปล่าไปแล้วเก้าสิบเอร์เซ็นแต่ว่าโดยทั่วไปแล้วป่าในเขตร้อนในเขตบ้านเรานี่ลดน้อยเพราะการโค่นป่าปลูกมันลำาปลงทำการเกษตรทำทุ่งเลี้ยงสัตว์บ้างตัดไปขายบ้างทำฟื้นบ้างเดี๋ยวนี้ป่ามันก็หมดไปทะเลสาบก็เลยตายคือไม่มีปูปลาอยู่ทะเลทรายก็ขยายกว้างขึ้นอะไรจะเกิดขึ้นหนึ่งหลายลองคิดดูถว่ามันเกิดปัญหาเดี๋ยวนี้ ผลน้ํากรดนี่ตกลงมาแล้วทาให้ปลาในสัตว์ในน้ำนี่อยู่ไม่ได้ต้นไม้ต้นไม้เจริญงอกงามอะไรไม่ได้เลยทะเลสาบสองร้อยแห่งในสหรัฐภาคตะวันออกและร้อยสี่สิบแห่งในแคว้นออนตารีโอของแคนาดาตายเป็นทะเลสาบที่ตายแล้วไม่มีกุ้งหอยปูปลาตัวไหนจะอยู่ได้ในยุโรปก็มีสภาพคล้ายกันเช่นในประเทศสวีเดนทะเลสาบพันแปดร้อยแห่งไม่มีสัตว์ตัวใดที่จะเหลืออยู่ได้เลยมันตายหมดมีแต่น้ํำเฉยๆปัญหานี้กระทบกระเทือนธรรมชาติ และเป็นปัญหาระหว่างประเทศบางทีฟ้องกันนะฮึ่งแคนาดาได้ร้องทุกข์กล่าวหาว่าปัญหาความพิจิเกิดขึ้นในแคนาดานั้นเกิดมาจากรถจนและโรงงานอุตสาหกรรมในสหรัฐเสียตั้งครึ่งพันท่านนังหลายลองคิดดูเถอดนอกจากปัญหามลภาวะโดยเฉพาะฝนน้นํากรดนี้แล้วก็ปัญหาสาคัญยิ่งอีกเรื่องหนึ่งเกิดจากการเผาผลาญเชื้อเพลิงทําให้เกิดคาร์บอนออกไซด์ควันที่ปล่อยกันไปนั้นมันทำให้อุณหภูมิโลกเพิ่มสูงขึ้นทีละน้อยทีละน้อย เมื่อมันเป็นเช่นนี้มันก็ทําให้โลกนี้มีความร้อนสูงขึ้นทุกวันนี้ร้อนมากสูงขึ้นสูงขึ้นสูงขึ้นเดี๋ยวดีเพิ่มขึ้นศูนย์จุดห้าเซนติในช่วงสิบปีข้างหน้าจะเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเซนติซึ่งจะทําให้โลกมีความร้อนสูงยิ่งกว่ายุคสมัยใดตั้งแต่เริ่มประวัติศาสตร์ของมนุษยชาติต่อไปเมื่อความร้อนของโลกได้สูงมากขึ้นมากขึ้นมันจะเกิดการเปลี่ยนแปลงเกิดการเปลี่ยนแปลงคือไม่เกิดความสม่ําเสมอสมดุลกัน น้ำแข็งในขั้วโลกก็จะละลายลงมาน้ําในมหาสมุทรจะเพิ่มความสูงขึ้นทีเมื่อมันร้อน ม, มากอากาศก็ไม่สม่ําเสมอย่อมมีลมพายุพัดแรงเมื่อพัดแรงแล้วก็ไม่สม่ําเสมอที่พุตรจ่าบวววาตาวายันติวิสมังปริวัตันติลมก็จะพัดไม่สม่ามําเสมอมันก็จะพาดของมันไปทั่วทีนี้มันจะเกิดคอน FLICT เกิดวิกฤตการณ์เอกอันหนึ่งก็คือว่าบางเขนร้อนมากขึ้นแต่บางเขนก็จะหนาวลง บางทิศจะมีน้ามากขึ้นบางทิศจะแห้งแ้งลงทั้งลมและฝนก็จะเปลี่ยนแปลงบางแห่งทำลายป่ากับฝนตกมากเห็นไหมจังหวัดสนครเมื่อปีกายผ่านมาจังหวัดอื่นแรง50จังหวัดสนครฝนตกเลยหูลืมตามไม่ได้คนมันก็จะบอกโ้ยแห้งทันเลแห้งตกบาว่าทางป่าฝนบดตกขนาดเขาไม่เข้าใจเขาไม่รู้ว่านั่นมันเสียสมดุลแล้วที่เคยแรงจะท่วมที่เคยท่วมจะแรงี่เป็นอย่างนั้นความชื้นในดินจะลดลง เมื่อระบบของดินของน้ำของไฟของลมเปลี่ยนแปลงกระทบกระเทือนการเกษตรต้องเปลี่ยนแปลงบ้างแห่งการปลูกพืชจะเสื่อมลงบางแห่งแกดีขึ้นไรนาที่เคยปลูกข้าวบางแห่งอาจจะเปลี่ยนเป็นทุ่งหญ้าความเปลี่ยนแปลงอีกอย่างหนึ่งสำคัญมากความสูงขึ้นของระดับน้ําทะเลเมื่ออุณหภูมิสูงขึ้นน้ําในทะเลก็ขยายตัวพร้อมกันนั้นภูเขาน้ําแข็งขั้วโลกก็ยิ่งจะละลายละ ล, ละล ล, ะ ล, ลงมาในสหรัฐอเมริกาเขาบอกว่าในปี 2,568 ลัตเต็มเซาทิชเชสซึ่งเป็นรัตชายทะเล มีขนาดค่อนข้างเล็กในสหรัฐจะสูญเสียเนื้อที่เพราะทูวน้ําทะเลท่วมหมดไปพูดไปเท่าไหร่ยิ่งมากขึ้นเอาง่ายๆเลยว่าป่าหดท้ายทะเลทรายก็จะเริ่มขายายขึ้นขายายขึ้นในที่สุดแล้วสัตว์ทั้งหลายก็จะตายให้ศูนย์พันไปตีละหลายๆพันทะเลสาบตายภูมิอากาศวิป ร, ริตน้ําร้อนมากขึ้นดินพังดินน้ําอากาศเลวเสื่อมคุณภาพไร่นาซ่าโทเสียหายพืชและสัตว์ ลดน้อยลองปีหนึ่งหงพืชและสัตว์ศูนพันไปเป็นจำนวนนับเป็นพันพันชนิดเพราะปรับตัวไม่ทันปรับตัวไม่ไวและไม่มีที่จะอบพย์ลบหลบนี้หลายชีวิตได้ศูนย์ไปโดยที่ยังไม่ได้ตั้งชื่อและยังไม่ได้จดเข้าไปในบัญชีเลยเกิดภัยธรรมชาติมากขึ้นจะนี้เมื่อป่าถูกทําลายก็แห้งแรงฝนไม่มาหรือเมื่อมาก็กลายเป็นน้ําบาดาลท่วมเกิด อ, อุทกภัยอย่างยิ่งใหญ่เหมือนบ้านกระทูนบ้านเราลมแปลปวนพายุร้ายยิ่งขึ้น ลักษณะเช่นนี้แหละพระพุทธเจ้าจึงบอกว่าผ้าผู้ใดปลูกป่าวนะโรปาอารามะโรปาปลูกป่าปลูกสวนที่ให้ดอกให้พ้นให้ร่มให้เงาปลูกต้นไม้ให้ร่มเงาบุคคลใดสร้างแหล่งน้ําปะปัญจอุทปานันจะสร้างแหล่งน้ําสร้างโรงน้ําเป็นทานเย่าทานเติยวปัสยังให้คนกข้ไปอยู่อาศัยเตยซั่งทิวาจารโตจก สถาบุอยังประวัติติเขาจากได้บุญทั้งกัางวันกลางคืนได้บุญทุกเมื่อแม้พูดถึงตรงนี้แล้วก็ฟ้าแจ้งจังปางทาไมเล่าจากไม่ได้บุญเพราะทุกวันนี้คนเบียดเบียนธรรมชาติมากถึงขนาดนี้การที่เราจะหยุดยั้งการเบียดเบียนธรรมชาติแล้วมาช่วยกันส่งเสริมทนุถนอมปลูกเรียน ปลูกต้นไม้ปลูกป่าอะไรขึ้นมาจะไม่ได้บุญอย่างไรคือทำไม่โลกมีความสุขมากขึ้นความเย็นกลับขึ้นมาความเกลียวสดกลับขึ้นมาฝนฟ้าก็จะตกต้องตามระดูกันเมื่อเห็นนี้เองท่านสาธุชนทั้งหลายหนทางที่ได้บุญตลอดกาลก็คือการรักษาป่าการปลูกป่าการสร้างแหล่งน้ําการปลูกป่าก็เท่ากับการ รักษาดุลยภาพรักษาต้นน้ำลําธารเอาไว้อาตมานี่มีความรู้สึกสลดหดหู่ใจเป็นอย่างยิ่งทุกวันนี้การทําลายป่าหมดสิ้นไปหมดสิ้นไปในจังหวัดสกลนครโซนที่อาตมาอยู่ในอําเภอคําตากา้าอําเภออากาศอํานวยอําเภอบ้านม่วงอําเภอเจริญสินอำเภอพังโคนอําเภอวันนอนินิวาสเหล่าเนี้ตลอดอําเภอสว่างแดนดินไม่มีป่าดิบดงดําสักดงหนึ่งถูกทําลายตั้งแต่นายทุนหน้าเลือดลงไปต่อมาก็กเษกษตรกร โอกมันสําปะหลังมันก็หมดไปหมดไปนอกจากนั้นโซนนี้ยังไม่มีภูเขาเลยไหมแต่ลูกเดียวอาตมาก็เป็นคนชอบป่าชอบดงพอเราจะมาอยู่ในป่าป่ามันก็ไม่มีเดี๋ยวนี้ต้องลงทุนโยมาทอดกระถิ่นมาทําบุญสุนโทรทานอะไรต่างๆอาตมาก็ถามว่าจะให้ทําอย่างไรเพราะที่นี่ไม่มีแม้กระทัางตู้บริจาค เรามีชีวิตอย่างเรียบง่ายสอด ค, ค, คล้องกลมกลืนกับธรรมชาติฉันข้าววันละครั้งเดียวในภาชนะอันเดียวก็พอแล้วทางพันธุุ่มแน่น้อยที่อยู่อาศัยเราอยู่กับถอมเล็กๆ ก, ก็พอจะอยู่ได้ขอให้ศาลามันใหญ่เพราะว่าคนมาปฏิบัติทำพร้อมกันเป็นพันๆเวลาอบรมกิจกรรมอะไรต่างๆมันไม่มีที่อยู่ฝนตกมาลําบากถ้ามาพอใจที่จะอยู่ในกระท่อมหลังเล็กๆแล้วก็มีความพอใจมากถ้าจะเห็นต้นไม้มันงามมันเขียว เพียงเมฆไม้ช่ำชื้นในพื้นป่าเพียงธาราเจิงขังทั้งเย็นใสเพียงเสียงนกเริงร้องกล้องแนวภัยเพียงเพื่อให้ผองมวนมิกสถิตทำท่านทั้งหลายได้อยู่ใกล้ชิดกับธรรมชาติอาตามาก็มีความสุขใจแต่ทำยังไงได้มันไม่มีดินแถบที่อาตมาอยู่เนี่ยมีแต่ดินลูกหลังต้นไม้ก็ไม่ค่อยเขียวค่อยงามต้องเอาใจใส่ให้น้าต้องเอาใจใส่บารุงเอาพวดินทับซอยมาใส่ และที่ดินก็แพงแสนจะแพงปลาสงวนแห่งชาติแต่มีเจ้าของเขาทําลายกันหมดแล้วเงินทอดกรินเงินทอดผ้าปลาอาตมา ก, ก็ได้ถามอย่างปีก่อนโน่นคุณวิรัตัยยางขนอนอดีตสอสอพูดสอบตกสองสมัยแต่มีจิตใจฝักใฝ่ในสิ้นในธรรมเข้าใจกันดีแกมาทอดกระถินได้เงินไปแสนสี่มืนบาทอาตมาถามว่าจะให้ทําอะไรแกบอกว่าถ้าเป็นไปได้ก็อยากจะให้อาจารย์ซื้อที่ดินขยายวัดปลูกต้นไม้สร้างแหล่งน้า ตรงเป๊ะเลยกับที่พระพุทธเจ้าสอนว่าว่าผู้ใดปลูกป่าปลูกอาลามสร้างแหล่งน้ำผู้นั้นจะได้บุญทั้งตางวันกลางคืนคือได้ความสุขมาให้แก่โลกแก่สังคมอาดามา ก, ก็เลยซื้อซื้อที่ป่าสงวนข้างๆวัดซึ่งเขาทำลายหมดแล้วไร่ละหมื่นบาทกลับคืนมายันนี้ได้ที่เพิ่มขึ้นห0สไร่ปลูกต้นไม้ต้นลาพาระ พ, พ, พาในปู่เรนิเพาะต้นตะเคียนไว้หลายพันต้น ต้นปลาดูต้นอะไรของแม้แต่หน่วยงานทางราชการลงเรียนอะไรต่างๆต้องมาขอต้นไม้กับอาตามาได้ยินตอนที่ปลูกต้นไม้อยู่ข้างทางพาพระเนินไปปลูกกันตากแดดซื้อมาไล่ละหมื่นเนป่าสวงวนแห่งชาติซื้อมาเวรคืนให้แก่รัฐในขณะเดียวกันต้องทําใจไว้ก่อนว่าวันดีคืนดีรัฐอาจจะมาไล่เราออกเมือนพระประจักษเราจําเป็นจะต้องมอบคืนให้แก่รัฐแต่วันนี้เราซื้อคืนมาให้แก่รัฐแล้วก็มาปลูกต้นไม้อาศัยเงินตถาจากญาติโยมเอง เ <an> <se eing> ขานั่งรถคุยกันเสียงขำมองโฉเฉงว่าอาจารย์สมภพเนี่ยทําไมเป็นคนปัญญาอ่อนถึงขนาดนี้ไม่นึกเลยว่าคนอย่างนี้จะปัญญาอ่อนเขาพูดดังๆอาตาฟังะะเขาปลูกต้นไม้ดูรีส์ที่มาไล่แล้วเป็นบื่แล้วมาปลูกต้นไม้กินอะไรก็ไม่ได้อาดามาก็ได้แต่อฟังเขาเฉยๆมีความคิดว่าเขายังไม่รู้เขายังไม่เข้าใจเมื่อใดเขาเดือดร้อนเมื่อใดเขาเข้าใจเขาจะมองเห็นคุณค่าอันนี้ตอนนี้เรากําลังทําบุญบุญของเรายังไม่ผลิดอกออกพ้น เก็บหอมรอมริบเก็บเล็กผสมน้อยร้อยมาทีละเล็กทีละน้อยยอมให้มาสเตอร์มาซื้อเดี๋ยวนี้มีที่อยู่สามสิบไร่อยู่กลางวัดที่เรา ซ, ซ, ซื้อซื้อไปตรงนี้คนนี้เขาไม่ยอมขายเขาจะขายสี่แสนบาทป า, ทาทตะวันแห่งชาติ สามสิบกว่าไร่อาตมาจนใจมองดูด้วยตาปิดๆอยู่ยังคิดอยู่ในใจว่าทําไมเนอ้อทําอย่างไรคนกรุงเทพที่มีเงินเหลือกินเหลือใช้คนที่มีส่วนเฟอร์ส่วนเกินเขาสร้างโบสถ์เนี่ยหมดเป็นสิบสิ บ, สบล้านก็มีหรือไปทําอย่างองื่นโบนั้นยังไม่มีคุณค่าเท่ากับการซื้อที่ดินมาปลูกป่าการซื้อที่ดินมาปลูกป่ามาสร้างแหล่งน้ํานั้นมันไม่เสียหาย ต้นไม้มันจเจริญเติบโตมามันออกลูกออกดอกมันตกลงมามันก็เติบอีกมันก็ได้บุญอยู่ตลอดคนก็จะได้พึ่งพาอาศัยเป็นที่พึ่งพาอาศัยของหมูมนุษย์ให้ความชุ่มเย็นให้ฝนให้ฟ้านอกจากนั้นยังให้หมูวิหกนกตามีมขปักษีหมู่เนื้อทั้งหลายได้อาศัยมันก็ยังได้ดูดซับเอาต้นน้ําลําธานเอาไว้แต่ทําไมคนไม่คิดคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้าคํานี้ไม่ค่อยได้ยินถึงหูผู้คนที่มีเงินมีทอง เขาได้ยินแต่ประโคมข่าวว่าสร้างโบทเป็นมหากุศลตามไปเจร้อยชาติอาดมาอยากจะชักชวนใหม่ที่น้องชาวกรุงเทพ ม, มหานครผู้ใฝ่บุญใฝ่กุศลขอให้ท่านไปเปิดพระไตรปิฎกดูเถิดสังยุตติกายสขารถวกล่มที่สิบห้าวนโลปสูตรข้อที่หนึ่งร้ยสี่สิบหหน้าที่สี่สิบหที่วระพุทธเจ้าบวิหางได้มาซึ่งบุญคือการปลูกป่าคือการสร้างแหล่งน้ารักษาดุลยภาพธรรมชาติช่วยกัน ลองไปเ ป, ดไปไดิดดูพรไตรปิฎกสองมืนหนึ่งันเก้าร้อยี่สิบหกหน้ามันหายากสี่สิบห้าเล่มอาตามาบอกไว้ ช, ชัดๆอย่างนี้เล่มที่สิบห้าข้อที่หนึ่งร้อยสีสิบหกหน้าที่สี่สิบหกไม่ใช่อาตามาว่าเอาเองทา ง, อางการได้บุญตลอดเวลาเด๋ยนี้มีที่อยู่สามสิบไร่ป่ า, ปาสงวนแห่งชาติทํายังไงจะได้เวนคืนมาให้แก่รัฐถ้าท่านไม่คิดอะไรมากจนเกินไปว่าซื้อมาแล้วจะได้บุญหรือไม่เดี๋ยวรัฐมาเอาคืนรัฐมาเอา ค, คืนก็คือการมาเป็นเจ้าของร่วมกันรัฐก็คือพวกเหล่านี้เอง เพรา ะ, ะนั้นญาติโยมทั้งหลายใครมีเงินเลือใช้มีส่วนเฟิร์ส่วนเกินจะเกียดมารวมซื้อที่ดินปลูกป่าก็อาจะมามาสร้างแหล่งน้ำด้วยกันตรงนี้แห้งแล้งมากนักหนานะ อาจจะมาคิดอยู่อย่างนี้เพราะที่วัด น, นี้ก็ไม่เคยตั้งตู้บริจาคไม่เคยเรียอะไรวันนี้ไม่ได้พูดว่าเป็นการเรียอะไรแต่พูดถึงการที่จะได้บุญอยู่ตลอดการได้บุญตลอดเวลาอยากจะชักชวนท่านทั้งหลายได้พิจารณาปลี่ยนอุดมการณ์ใหม่ที่จะไปสร้างโบสถ์สร้างสิมสร้างอะไรให้มันใหญ่มันโตวัตถุทั้งหลายการสร้างสิ่งนั้นขึ้นมามันทํำลายนะโบสถ์หลงหนึ่งออกมาก็ชั่วอายุของท่านชั่ว ไม่กี่ปีมันก็จะผุจะพังวัสดุเสื่มคุณภาพยิ่งทุกวันนี้ฝนเป็นกบทมากๆตัดตูนกันหินเสื่อมได้ไง่ายและมันไม่มีลูกมีดอกมีหมากออกมาเหมือนต้นไม้ไม่ว่าสร้างบอ่อหลังหนึ่งอีกสิบปียีสิปีข้างหน้ามันออกลูกมาเป็นบ่อเล็กบ่ดน้อยเป็นกุฏิวิหารเป็นลูกเป็นรางของมันมันหาไม่ได้แต่ต้นไม้เนี่ยโตมาแล้วมันยังหล่อนออกมาเป็นลูกเป็นดอกเป็นหมากเกิดมาเพิ่มเติมเลยดูที่พุทธมนตรรัฐบาลจ้างพุทธมนตรคนงานไปปลูกจ้างมอใช้เงินมาก มีใครสักจี่คนจะมองเห็นคุณค่าเสียเงินไปกอบเสียไปอย่างเสียไม่ได้อย่างนั้นแหละคนที่ให้ไปรัฐบาลต้องใช้เงินของหลวงก็คือเงินของพวกเรามาช่วยกันทําแต่เดนี้ไปดูเถิดเมื่อต้นไม้ร่มรื่นที่พุทธมณฑลถ้าวันนี้ใครไปเชิญให้ไปพักผ่อนไม่มีดอกพากันไปเต็มแ ล, ล้วลอนไปพักใต้ร่มเงาปดูอังสนางต้นเงาเมฆไม้ในพุทธมณฑลนั้นเต็มเวลาปลูกไม่มีใครอยากจะปลูกรัฐบาลต้องชักชวนรัฐบาลต้องจาง บัรนี้เราก็เห็นแล้วว่าได้บุญไหยล่ะพุทธมณฑลได้บุญตลอดเวลามีใครบ้างวาแมมันร้อนเหลือเกินอยากจะไปซ่อนอยู่ในโบสถ์อยากจะไปนอนในโบสถ์เออพาลูกพาเมียพาลูกพาล้านไปนอนอยู่ในโบสถ์กันเถอะสักคืนสองคืนกลางวันขับรถจากกรุงเทพไปหานอนโบดถนอนโบส น, น, นี่มันเย็นมีไมลนะ่ะไม่มีโบดนั้นมีประโยชน์อะไร โบได้มีประโยชน์บวชน่ากั้งลงอุโบสถสังฆกรรมดังอาตมากล่าวแล้วว่าบวชน่าที่ไหนก็ได้อุโบสถสังฆกรรมตรงไหนก็ได้ถ้าทําให้มันถูกต้องตามพระวินัยลองไปเปิดดูอุโบสถขันตกะพระไตรปีดกเล่มที่สี่แห่งวินัยปีดอกก็จะรู้จะโฆษณาโหมกันยังไงให้มันสร้างมาสร้างแล้วมันก็ทํำลายเทนี้การปลูกป่าการสร้างแหล่งน้ํานั้นนเป็นการดีที่สุดจะได้ช่วยให้โลกเย็นลงจะได้ช่วยลดมลภาวะพิษทางอากาศลดลง อาตมาเนีมีความรู้สึกเช่นนี้เดียวนี้นายทุนต่างชาติก็เริ่มเข้ามาจะซื้อที่ดินในประเทศไทยไม่ใช่จะซื้อกันมากแล้วมากแล้วคนไทยกําลังจะสูญเสียที่ดินของตนเองรัฐบาลทางสิงคโปร์เขามีที่ดินของรัฐแต่ประเทศไทยเรายังไม่เตืนอนอาตามาจึงอยากจะชักชวนพี่น้องทั้งหลายผู้มีเงินเหลือกินเหลื อ, ล อ, ลอใช้เจียดส่วนเฟิร์ส่วนเกินมาซื้อที่ดินป่าสงวนที่เขาทําลายหมดแล้วมันเป็นแต่ชื่อเฉย เป็นพื้นนาของเกาอยู่ข้างๆว่าตะมาเนี่ยสี่แสนบาทเขาบอกว่าใ ห, ให้ให้ดาวก็ได้สองแสนห้าแล้วก็ค่อยผ่อนส่งสักสองสามปีอาตะมาเนี่ยมองเห็นและเสียดายมากว่าต่อไปนี้น่ากลัวนายทุนจากต่างชาติจะมาซื้อสะก่อนเขาไม่กลัวหรอกป่าสงวนเพราะว่ามีคนน้ำลายหมดแล้วเขาอาจจะไปซื้อเอานักการเมืองในรัฐสภาให้ออกกฎหมายป่าเสื่อมโทรมนี่ออกมาไวๆก็ได้ อาตมาก็เลยมีความรู้สึกว่าทำยังไงเนาะเราจะได้เงินซื้อคขื่อนมาสี่แสนบาทเนี่ยเราจะได้ปลูกต้นไม้ให้มันต่อกันเป็นพืชเราจะได้ตรงนี้มัน ต, ต, ต่ำเราก็จะได้ทําเป็นแอ่งเป็นแหล่งน้ำเพียงเมฆไม้ฉ่ำชื้นในพื้นป่าเพียง ท, ทาราเจิงขังทั้งเยน็นใสเพียงเสียงนกเริงร้องก้องแนวภัยเพียงเพื่อให้ผองมวลมิตรสถิตธรรมอาตมาชิดเอยียงในเดียวนี้ปลูกต้นไม้ก็เยอะแล้วกำลังจะเฉียวแต่ไม่มี แหล่งน้ําที่เรียกว่าทาราเพียงแมฆไม้ฉ่ำชื้นในพืนป่าเพียงทาราเจิงขังทั้งเย็นใสเดี๋ยวนี้ไม่มีทาราเจิงขังทั้งเย็นใสขาดแคนแหล่งน้ําตรงนี้เป็นที่จะทําแหล่งน้ําได้อย่างดีแต่ไม่มีเงินที่จะซื้อเขาในขณะเดียวกันเพียงเสียงนกเริงร้องก้องแนวไผ่ท่านฟังอย่างนี้ก็คงจะได้ยินเสียงนกเสียงกาเพราะที่วัดนี้นกมีมากขึ้นแล้วกว่าทุกแห่ง นกตาเเวาได้นกยูงร้องอยู่บนยอดไม้บางคนมาในตกไกนึกว่าเสียงอะไรนกยูงเดวนี้กําลังไข่ไข่อยู่ในดินไข่อยู่ใต้ต้นไม้ไม่ต้องมาอยู่ในวัดเพียงแค่นี้ถ้าอ๋องมาวัดมันก็ตายนกยูงเอ้ยนกตาเเวเอยนกเขาเอ้ยอะไรต่างๆแม้แต่นกเป็ดตัวเล็กๆเรี๋ยวมาอยู่สระน้อยๆ อ, อาตามาก็มีความรู้สึกว่าทํำยังไงหนาะเราจากได้ที่นี้สร้างแหล่งน้ําขึ้นมาให้สัตว์เหล่านี้ได้อยู่อาศัยและปลูปกป่า ก็อยากจะบอกพี่น้องทั้งหลายวันนี้คือหนทางแห่งการได้บุญการปลูกป่าไม้การสร้างแหล่งน้ําที่พระพุทธเจ้า ว, ว่าเตสร้างที่วาจะรัตโตจะสถาบุญอย่างประวัติทิได้บุญทั้งตรางวันกลางคืนได้บุญทุกเหมื่อแมจะเป็นป่าสงวนแห่งชาติเขาก็ทําลายหมดแล้วเป็นป่าเสื่อมโทรมเป็นไร่เป็นนาเราซื้อคืนมาปลูกคืนอย่าไปกลัวเลยว่ารัฐบาลจะเอาคืนเอาคืนก็คือคืนมาให้เรานั่นแหละเราก็เป็นเจ้าของร่วมกัน รัฐบาลก็คือพวกเหล่านี้แหละเงินภาษีของรัฐบาลนนัแผ่นดินนี้ถ้าเป็นของรัฐบาลก็คือแผ่นดินของพวกเราเดี๋ยวนี้เขาทําลายกันหมดแล้วเราก็จะเอาเขินมาถ้าท่านคิดให้ลึกว่าควรจะซื้อมาเพื่อประโยชน์แก่โลกแก่สังคมแก่ประเทศชาติของเรามันก็ไม่น่าจะคิดว่าดินนี้ไม่มีนอสาสามอะไรจะได้นองสาสามใส่ผ่านถวายพระความจริงไม่ต้องคิดไปไกลถึงขนาดนั้นหรอกว่า แม้เราได้ดินมาปลูกต้นไม้เนี่ยถวายแก่แผ่นดินถวายแกนายหลวงถวายแก่พระบรมราชนีหน้าถวายแก่แผ่นดินสยามของเราเอาคืนมาก่อนมาปลูกป่ามาสร้างแหล่งน้ํารัฐบาลจะมาบอกอาตมาภาคั น, นี้ตรงนี้เป็นป่าสงวนอาดมาจะไม่เสียใจเลยและจะไม่เสียดายเลยถ้าหากได้คืนมาขอให้ได้ปลูกป่าเสร็จได้ทาแหล่งน้ําเสร็จรัฐบาลจะเอาคืนก็เชิญเราไม่ได้ว่าอะไรเพราะบัดนี้เราได้ อู้คืนมาแล้วมาให้รักอาจจะมาคิดอย่างนี้เพราะว่าชั่วชีวิตเราก็ไม่เกินร้อยปีเราก็จะต้องโบกมืออำลาญาติมีดวงอาทิตย์สัตว์ตัวคู่เวนเข้าเลิศแห่งชีวิตไปเราจะอยู่กันเป็นพันๆปีเมื่อไหรแล้วโลกนี้ไม่ใช่สถานที่ที่เราจะต้องมาปลูกบ้านพักอันถาวรอยู่เราจะต้องจากโลกนี้ไปแม้เราจะมีทรัพย์สมบัติเป็นแสนแส น, แนล้านเราจะทิ้งไว้เกินก า, กากแผ่นดินก็จะต้องเวนคืนให้กับแผ่นดินอยู่ดีๆเพราะเหตุ น, นั้นเชิญเถอดท่านทั้งหลาย มาคำนึงถึงบุญถึงกุศลอันนี้ปัญหาของโลกเกิดจากการเบียดเบียนธรรมชาติมันมากขึ้นอาตามาได้รับเชิญไปร่วมอภิปรายกับสมาคมไทยอมเมริกันในหัวข้อเรื่อง ก, การสร้างจิตสำนึกของคนเพื่อการมีส่วนร่วมในการรักษาคุ้มของธรรมชาติเสียดายว่าเวลาเราไม่พอก็เลยคิดแล้วทีเดีว่าทายังไงเนาะพี่น้องทั้งหลายจะเกิดสานึกช่วยกัน บัดนี้อาดามาคิดหว่ดถึงเวลาแล้วที่เราจะชวนกันมาทําบุญในการอนุรักษ์คุ้มครองธรรมชาติการจะจับผ้าป่าต้นไม้ถวายผ้าเอาไปปลูกในวัดนั้นมันเหมือนกับทาเล่นนะนั่งรถบัสรถทัวร์ไปจากต่างจังหวัดไปรับต้นไม้สักต้นหนึ่งแล้ขีกลับเขินมาปลูกที่วัดเนี่ยมันจะได้ประโยชน์สักแค่ไหนจะคุ้มกันหรือไม่เดี๋ยวนี้วัดมาอาลามรายงานต่อเจาา้จาคณะตำบลเจ้าคณะอำเภอเจาา้าคณะจังหวัดปีนี้ปลูกไม้2องพันต้นปีหน้าสองพันปีต่อไปสองพัน หลายปีเขาเป็นหมื่นต้นแต่ที่ดินของวัดไม่ได้ขยายไปปลูกตรงไหนในที่สุดมันก็เลยเป็นเปเปอร์เวิร์เป็นการทำงานกระดาษลอกันไปไม่มีความจริงจังจริงใจอะไรจริงๆอา่มาปลูกป่าที่นี่เยอะเพราะต้นไม้ไว้คนมาขอให้ไปอืมหนักนะเข้าทางการถามอาท่านศึกษาที่การอำเภอกกยเไปแล้วเี่ยนจนไม่มาถามสอครั้างาแบบปลูกกี่ตน้นเนื้อที่กี่ไร่ ม, ไมีจ้มุ้งมอะไรได้รับการสนับสนุนอะไร อาตมาอยู่ในปฏิสัน ล, ลีน้าพันษางดอาหารไปยี่สิบวันไม่พูดไม่จาพักผ่อนทางจิตใจทางวิญญาณเรียกว่าปล่อยวางอุปธิวิเวกมันส น, น่อยสักยี่สิบวันข้าวก็ไม่กินจอดไม้ ก, ก็กระนำมาถึงสามครั้งอาตมาก็เลยตอบไปสั้นๆว่าไม่ได้ปลูกเพื่อจะจําไม่ได้ปลูกเพื่อจะนับว่ากี่ต้นถ้าท่านอยากรู้ก็เชิญมานับดูเองเพราะระยะทางจากอําเภอมาวัดมันสิบสองกิโลทําไมท่านไม่มาดูเองกันบ้าง เราอาตมาไม่ได้ปลูกเพื่อจะนับไม่ได้ปลูกเพื่อจะจำจำไม่ได้เพราะมันปลูกมากเราก็ไม่กล้ามาดิบทกเกษยรไปแล้วเล่าให้ฟังเดี่ยวนี่เราทำอะไรพอเพียงแต่จะถ่ายรูปปลูกต้นไม้พราะได้ถ่ายรูปเพอได้เสนอเจ้านายเพื่อให้เงินเดือนฟันขึ้นพูดอย่างนี้ไม่อายใครเลยพูดความจริงจะต้องไปอายใครทำไมอาตมาจึงบอกว่าอย่าไปทำเทียงเล่นๆขอให้เข้าใจบันฑิตมันเป็นบุญเป็นกุศลเมื่อ ต้นปีอาตมาพาพระเนน40ิรูปเดินทางขึ้นภูผานบนอุทยานแห่งชาติห้วยหวดได้ไปพบกับคุณกฤษดาสุภาพไพรบุญหัวหน้าอุทยานแห่งชาติคนนี้สนใจมากเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาพาลูกน้องมาปฏิบัติธรรมเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกับอาตมาในถ้ำหลังจากนั้นก็นิมนต์อาตมาเข้าไปสแสดงธรรมอาตมาก็ไปสแสดงธรรมแก่พนักงานทั้งพุทธทั้งพิธ ให้พากันรักษาป่ารักษาต้นไม้นี้แหละคือทางได้มาซึ่งบุญตลอดการตลอดเวลาอยากจะเสนอวันหน้าจะให้เงินเดือนแก่พวกนี้แพงขึ้นกว่านี้หน่อยจ้างเขาวันละเจ็ดสิบาทแปสบาทเขาทํางานคือตลอดอาดมาอยากจะคิดพิจารณาใหม่น่าจะให้เขาวันละร้อยี่สิบาทร้อยห้าสิบาทนูน่นแล้วก็อบรมให้ดีๆนี่มณฑปสงฆ์จะไปอบรมฝึกฝนด้านจิตใจเขาให้รู้จักปล่อยรู้จักวางรู้จักเลิอกอบายยาหมุก อาตมาเห็นเขาทำงานกันครับมาคำเด่นไปเดินทางไปที่ภูป่อมภูปอภูผาพางภูผาแดงเขาพาอาตมาไปเจ้าหน้าที่เหล่านี้คนงานลายวันเหล่านี้เดินทั้งวันอาตมาก่อเดินไปกับเขาพอได้ยินเสียงต้นไม้ล้มอยู่บนยอดเขาเขาวิ่งเลยทิ้งอาตมาไว้ก่อนเขาวิ่งเขาเป็นห่วงต้นไม้ของเขาเขารักต้นไม้ของเขาแสดงว่าเขามีอุดมการ์เขารักป่ารักดงของเขาแล้วแต่หน้าเสียดายเงินเดินเขาน้อยนิดเดียวเจ็ดสิบาทแปดสิบาท ไม่เท่ากรรมกรกุลีธรรมดาเขาทำงานอย่างสูงส่งเพื่อประเทศชาติบา้านเมืองดูดูแล้วเจ้าหน้าที่กรมป่าไม้เจ้าหน้าที่อุทยานเนี่ยไม่พอไม่พอที่จะรักษาป่าไม้เอาไว้อาจมายจะมีความคิดว่าน่าจะต้องอบรมบุคลท่วงนี้ให้เงเดือนเขาสูงกว่านี้หน่อยนอกจากนั้นแล้วก็ จัดการอบรมทางด้านจิตใจให้ดีขึ้นหรือจะเอาเป็นลูกจ้างประจำเป็นข้าราชการในต่างประเทศเี่เขาให้ความสนใจในด้านนี้มากถึงขนาดว่ามีวิชาบริหารป่าอ่าที่เรียกว่า administration f o r e t การบริหารป่าเกิดขึ้นอย่างนี้เราจะรักษาธรรมชาติช่วยกันไว้ให้เกิดบุญเกิดกุศลคือเกิดความสุขให้แก่โลกความสุขอันเกิดจากการไม่เบียดเบียนธรรมชาติ ความสุขจากการกระทําคุณงามความดีขอบคุณธรรมชาติช่วยกันรักษาอนุรักษ์ธนุธน้อมบำรุงช่วยกันนี่คือความสุขที่เกิดมาจากการไม่เบียดเบียนแล้วความสุขเกิดมาจากการเพิ่มพูนในการทนุธน้อมช่วยกันถ้าหากวันไม่สําคัญพระพุทธเจ้าคงไม่พูดอาตจจมาแต่ก่อนก็ไม่เข้าใจถึงขนาดนี้ดอกตั้งแต่เป็นเด็กๆพ่อและแม่พากันขุดบ่อบ่อน้ํา หนทางผ่านนาเรียกว่าสร้างกกพ่องวันวันหนึ่งมีตะเกียนมาจอดวันละสามสิบสี่สิบยี่สิบคันผ่านไปผ่านมามาตักน้ําพักงวพักเกวียนแล้วเขากินน้ําแต่ละคนแล้วเขาอาบน้ำเขาพูดภาษาทุกขอให้ได้บุญหลายๆเด้อเจ้าของนาเจ้าของน้ําสร้างน้ําบ่อแล้วเมื่อคิดดูทุกวันนดิแม่พ่อแม่ของเราหาเราทําบุญมาตลอดพอพอดํานาเสร็จพอเกี่ยวข้าวเสร็จพอและแม่พาลูกเต่าไปลื้บ่อ บอกว่าจังน้อยนี่เกียนจะได้มาพักผ่อนเขาจะได้มาอยู่มากินแขกไปไทยมาเราจะได้บุญตลอดเวลานะั้นลูกนะแล้วก็ไม่รู้แต่ก็ทำํำ <c oughs> ไม่มีใครไม่รู้จักสร้างกบพอกสมัยก่อนเมื่อคิดดูแล้วโอ้นี่เราได้บุญตลอดเวลาดังที่พระพุทธเ จ, จ้าพูดยิ่งมาถึงทุกวันนี้ปัญหาสภาพแวดล้อมเป็นพิษความร้อนในโลกสูงขึ้นแผ่นดินก็เสียดุลธรรมชาติน้ําเนา่าอากาศเสียเพราะเหตุแห่งการทําลายป่าเขาลําเนาภัยดุลยภาพธรรมชาติ ทำไมหนอจึงไม่ได้บุญตลอดเวลาเพราะเหตุ น, นั้นพระพุทธเจ้าจึงตอบเทวดาว่าทางแห่งการได้บุญตลอดเวลาคือการปลูกป่าคือการปลูกต้นไม้คือการสร้างสะพานในที่กันดานคือการสร้างแหล่งน้ำการอนุรักษ์แหล่งน้ำสร้างโรงน้ำให้เป็นทานบุคคลเช่นนั้นชื่อว่าเป็นผู้มีศินตั้งมั่นในธรรมเป็นผู้ไปสู่สวรรค์ดำเนินสู่สวรรค์เตชนาสักคามิโ น, โนเพราะเหตุ น, นั้นนี้แหละคือทางแห่งการได้บุญตลอดเวลา จึงขอฝากพี่ฝากน้องทั้งหลายให้เข้าอกเข้าใจดังกล่าวแล้ว้ารกิจในวันนี้ก็คงจะสมควรแก่เวลาฝากเป็นข้อคิดเตือนจิตสกิดใจถ้าตันท่างร้ายมีส่วนเฟอร์มีส่วนเกินขอจะเจียดมาซื้อที่ดินเพื่อจะปลูกป่ารักษาแหล่งน้ำรักษาดุลธรรมชาติช่วยกันก็ขอให้ได้ชิดได้พิจารณาเถิดความสุขความสวัสดีจะเกิดมีแก่โลกแก่แผ่นดินแก่สังคม ร่วมกันดังกล่าวแล้วสุดท้ายการกล่าวทำมิกถานี้สมควรแก่เวลาขอความสุขสวัสดีความเจริญในศีลในธรรมความงอกงามไพ่บุญในธรรมวิใ น, นแห่งพระอริยะเจ้าจงบังเกิดมีแก่ท่านทั้งหลายขอดวงใจทุกๆดวงจงสถาปนาจงสถิตมั่นอยู่ในอริยะญาณธรรมสมมาทิทฐิอันถูกต้องประกอบด้วยศรัทธาด้วยศีลด้วยจคะด้วยปัญญาอริวัตอริยวัตถธรรมเรา